สิกขาบทที่8ปภิกษุณีผู้ให้เอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่ภิกษุณีจํานวนมากแลกเปลี่ยนของอย่างหนึ่งต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังให้แลกเปลี่ยนต้องอาบัตทุกกดเพราะพยายาม 2. ให้แลกเปลี่ยนแล้ว ต้องนิสักเคียะปาจิตตี